การเพิ่มคุณภาพจิตโดยการทำสมาธิภาวนาจิตที่มีคุณภาพสูงเป็นจิตที่มีความสุขมากกว่าปกติเป็นจิตที่ประกอบไปด้วยกุศลไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นตรงกันข้ามกับจิตที่มีคุณภาพต่ำ เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยอกุศลเป็นส่วนมากทำตนเองให้เป็นทุกข์แล้วก็แพร่กระจายความทุกข์นั้นไปให้ผู้อื่นทั้งที่โดยเจตนาและไม่เจตนาก็ตามพระอริเจ้าทุกพระองค์นับตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจิตของท่านมีคุณภาพสูงกว่าจิตของปุถุชน เพราะท่านมีเมตตาเป็นวิหารธรรมคือเป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากกว่าปุถุชนธรรมดาพวกเราถึงแม้ว่ายังเป็นปุถุชนอยู่แต่ถ้าเจริญเมตตาพรมิหารเป็นประจำเราก็จะเป็นผู้ที่มีความสุขมากกว่าปกติต่างกันแต่ว่า พระอริยเจ้าท่านมีเมตตาเป็นอัตโนมัติเกิดขึ้นเป็นประจำไม่มีการเสื่อมสำหรับปุถุชนต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นทำให้มีขึ้นและต้องพยายามรักษาไว้ไม่ให้เสื่อมด้วยเมตตาพรหมิหานนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วความเป็นผู้มีศีลคือไม่คิดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น คิดปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นก็เกิดขึ้นด้วยอยู่ที่ใดไปที่ใดก็มีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขเมตตาพรหมหารนี้ถ้าทำให้มากจเจริญให้มากย่อมแก้กรรมได้กรรมที่ทำแล้วถ้าหนักก็อาจจะเบาบางลงได้ถ้ากรรมนั้นพอประมาณ ก็อาจจะจางหายไปได้ผู้ที่จะบะเพ็ญความดีจนมุรลุถึงความเป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปจำเป็นต้องสร้างบารมีคือทำคุณสมบัติสิบประการให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับตนเองก่อนคือทานศีลในครรมะ ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาเมตตาเป็นบารมีอันหนึง่งซึ่งจำเป็นจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นกับตนการเจริญเมตตาพรหมหารทำให้เมตตาบารมีของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มเมตตาพรหมวิหารแก่ไซเอเฟกต์คือผลเสียบางประการของการภาวนาได้การทำสมาธิภาวนาในระบบใดก็ตามจะใช้อะไรเป็นกรรมฐานก็ตามจะมีอยู่จุดหนึ่งที่จิตของเราสงบต้องการความสงบและอยากอยู่ในที่สงบแต่สิ่งแวดล้อมก็เป็นไปตามปกติของเขา เช่นเราอยู่ในบ้านแต่ก่อนเรายังไม่ภาวนาคนในครอบครัวทําเสียงดังเราก็รู้สึกเป็นของธรรมดาแต่เมื่อเราภาวนาถึงจุดที่มีความสงบต้องการความสงบและอยากอยู่ในที่สงบแล้วบางครั้งเราจะรู้สึกหมุดหิดราคาญเสียงและไปโทษสิ่งแวดล้อมว่าทําให้เกิดความไม่สงบ แต่ถ้าเราจเจริญเมตตาพรหมิหารแล้วเราจะไม่ไปโทษสิ่งแวดล้อมภายนอกแต่จะรู้สึกเมตตาทุกคนเสมอกันหมดและสามารถปรับปวางรู้สึกของเราให้เป็นปกติได้ไม่ยากนักเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกสังคมที่ขาดเมตตาคือสังคมของสัตว์ป่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ที่แข็งแรง เบียดเบียงสัตย์ที่อ่อนแอมีแต่ความบาดกลัวอยู่ตลอดเวลาตัวเราครอบครัวและในสังคมส่วนย่อยถ้าปราศจากเมตตาไปแล้วก็จะเดือดร้อนเป็นทุกข์วาตะแวงเช่นเดียวกันถ้ามนุษย์เราขาดเมตตาสังคมของมนุษย์ต้องแย่ยิ่งกว่าสังคมของสัตว์ซะอีก ราะมนุษย์วันนี้มีอํานาจในทางวัตถุมากถ้าเอาอํานาจนี้มาใช้ในทางเบียดเบียนกันทําลายกันโลกนี้ก็คงอยู่ไม่ได้แน่ที่โลกยังอยู่ได้เพราะมนุษย์เรายังมีเมตตาต่อกันแม้จะอยู่ในวงจํากัดก็ตามถ้ามนุษย์เรามีเมตตาแผ่กว้างไปมากเท่าไรโลกก็จะได้อยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมต่ตางๆในโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เมตตาจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ค้ำจุนโลกให้คงอยู่ได้ฉะนั้นบราณาจารย์ท่านจึงให้แผ่เมตตาทุกค่ำเช้าหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วอานิสงส์ของการเจริญเมตตามีดังนี้หนึ่งตื่นก็เป็นสุขสองหลับก็เป็นสุขสมไม่ฝันร้ายสเป็นที่รักของมนุษย์ อาเป็นที่รักของอมนุษย์อมนุษย์นี่หมายถึงเทวดาผีและสัตว์ทั้งหลายด้วยหเทวดารักษาผูใดที่เทวดารักษาผู้นั้นจ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำเจไม่เป็นอันตรายด้วยไฟยาพิษและศาตรา8จิตจะเป็นสมาธิอย่างรวดเร็วถ้าเราแผ่เมตตาแล้วทำสมาธิต่อ จิตจะเป็นสมาธิเร็วกว่าปกติเก้าสีหน้าจะผ่องใสดีกว่าเมคอัพด้วยเครื่องสำอางสิบก่อนจะตายจะมีสติไม่หลงตายการหลงตายคือเพอ้อหรือโกรธจิตเป็นอกุศลเพราะฉะนั้นทุกขจิตจึงเป็นไปในเบื้องหน้าสิบเอ็ดเมื่อไม่บรรลุนิพพานย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรมโลก ต่อไปนี้เป็นการฝึกการทำสมาธิภาวนาเมตตาพรหมวิหารนั่งขัดสมาธิหลับตารละคิดตามคำพูดของอาตมาอาต่อไปนี้ฝึกแผ่เมตตา ก่อนอื่นเราจะไม่แพ้ไม่ตายตนเองสักก่อนคิดในใจซึ่งในใจเลยทีเดียวขอข้าพเจ้าจงอย่ามีทุกข์กายทุกข์ใจขอข้าพเจ้าจงมีความสุขในการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองทุกคนสามารถจะทําได้คนที่มีความทุกข์ที่สุดก็คงจะปรารถนาให้ตนเองมีความสุขความปรารถนาความสุขเช่นนั้นทำให้เกิดขึ้นทําให้มีขึ้นในจิตใ น, ในใจของเรา ขอข้าพเจ้าจงอย่ามีทุกข์กายทุกใจขอข้าพเจ้าจะมีความสุขอันดับต่อไปแผ่เมตตาไปยังสรรพะทัตทั้งหลายคิดในใจซึ่งนเป็นกันขอสรรพะทัตทั้งหลายจงอย่ามีทุกข์กายทุกใจขอสรรพะทัตทั้งหลายจงมีความสุขเป็นการปรารถนาความสุขให้แก่สรพพะัตทั้งหลาย การแผ่เมตตาคือการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและผู้อื่นเท่าเทียมกันเสมอกันนี่เป็นหัวใจเป็นหลักต้องการของการแผ่เมตตาอันดับต่อไปทําความสม่ําเสมอในบรรดาสรรพธาตุทั้งหลายรวมทั้งตัวเราเองด้วยโดยการคิดถึงบุคคลสี่คนหนึ่งตัวเราเองนึกถึงตัวเราที่นั่งอยู่ในปัจจุบันสองคนที่รักไม่ใครมึงรักมากที่สุด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 ดับต่อไปแผ่เมตตาสรพพะสัตว์ทั้งหลายทั่วจักรวาลแผ่เมตตาคือปรารถนาความสุขไปยังสัรพสัตว์ทั้งหลายทั่วจักรวาลนับตั้งแต่พรหมพรหมในอยู่เหนือเทวดาขอพรหมทั้งหลายจะมีความสุขลงมาเทวดาขอเทวดาทั้งหลายจะมีความสุขลงมามนุษย์ขอมนุษย์ทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกเปรต เปรตจะมีความหิวโหยเป็นประจําขอเปลทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกอสุรกายอสุรกายในมีความทุกข์ทรมานทางกายเป็นประจําขออสุรกายทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกสัตว์เดรัจฉานขอสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายจะมีความสุขลงมาพวกสัตว์นรกขอสัตว์นรกทั้งหลายจะมีความสุข แผ่เมตตาปราถนาความสุขไปยังสปปรพพะตะทั้งหลายทั่วจักรวาลขอสัพพะตะทั้งหลายทั่วจักรวาลจงมีความสุขในดับต่อไปแผ่เมตตามทิศ ต, ต่างๆแผ่เมตตาคือปราถนาความสุขยังทิศหน้าตรงหน้าเราทิศหลังแผ่สุขไปหลังเราทิศขวาแผ่สุขไปขวามือ ทิศซ้ายแผ่สุกไปซ้ายมือเฉียงข้างหน้าทางขวาแผ่สุกไปเฉียงข้างหน้าทางซ้ายแผ่สุขไปเฉียงหน้าทางซ้ายเฉียงข้าหลังทางขวาแผ่สุขไปเฉียงหลังทางขวาเฉียงข้างหลังทางซ้ายแผ่สุกไปเฉียงหลังทางซ้ายทิศบนแผ่สุกเป็นหัวเราทิศล่างแผ่สุขเด้งลงไปที่เรานั่ง สมมติว่าตัวเรานี่คล้ายห ล, ลอดไ้ฟ้าแผ่รัศมีไม่ใชีแสงสว่างแต่เป็นรัศมีแห่งความสุขหรือการปราถนาความสุขแผ่ไปรอบตัวเราสรุปขอข้าพเจ้าจะมีความสุขขอสัปดาห์ทั้งหลายจะมีความสุขนึก แผ่ความสุขนี้ออกไปรอบตัวเราทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตแห่งความสุขนึกแผ่ความสุขให้กับตนเองนึกแผ่ความสุขให้แก่สรรพธาตุทั้งหลายนึกแผ่ความสุขนี้ออกไปรอบตัวเรากว้างออกไปกว้างออกไปไม่มีขอบเขตแห่งความสุขทุกทั้งความสุขที่แผ่กว้างออกไป็นอารมณ์อารมณ์ขอเมตตาพรหมวิหารคือความสุขที่แผ่กว้างออกไป เนความสุขอันเกิดจากการปรารถนาความสุขให้แก่ตนเองและสัพพะทั้งหลายถ้แต่พอเราทําไปสักพักอารมณ์นี้อาจจะจางไปหรือว่ามีอารมณ์อื่นมาแทรกทําให้สับสนเราก็เริ่มต้นคิดใหม่ขอขา้าพเจ้าจะมีความสุขขอสัพพะทั้งหลายจะมีความสุขนึก แผ่ความสุขเนี่ยออกไปรอบตัวเราทุกที่ทุกทางไม่มีขอบเขตเป่นความสุขนึกแผ่ความสุขให้กับตัวเองนึกแผ่ความสุขให้แก่สรรพต่าทั้งหลายนึกแผ่ความสุขเนี่ยออกไปรอบตัวเรากว้างออกไปกว้างออกไปไม่มีขอบเอขตเป่นความสุขทั้งความสุขที่แผ่กว้างออกไปไปอารมณ์ทำต่อไปสักพัก